วันหนึ่งวันหนึ่งคนเราก็ทำแค่สองอย่างเท่านั้นนะสองอย่างใหญ่ๆห่อันแรกคือหลับอันที่สองคือตื่นนะท้งชีวิตคนเรานะก็มันก็มีแค่สองอย่างเท่านั้นแหละนะหลับกับตื่นเรียกว่าเป็นภาวะก็ได้นะภาวะหลับภาวะตื่นเราหลับ ประมาณหนึ่งในสามของชีวิตหรือว่าหนึ่งในสามของวันก็ประมาณแปดชั่วโมงเราตื่นอ่สิบหกชั่วโมงแต่ว่าตื่นนี่ก็จริงๆก็คงไม่ถึง1ิบชั่วโมงกันนะเพราะว่ามันมีช่วงเราหลับตื่นตื่นช่วงง่วงอย่างตอนนี้พวกเราตื่นก็กจริงแต่ว่าไม่ได้อ่ไม่ได้ตื่นกันเต็มที่นะมีความง่วง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 แล้วเขพบว่าทํางานแปดชั่วโมงเนี่ยทํางานจริงๆอ่ะนะทำงานด้วยความรู้ตัวอยี่ยประมาณหนึ่งในสี่อหนึ่งในห้าไอ้สีในห้าเนี่ยคือใจลอยนยทํางานแปดชั่วโมงก็แสดงว่าทํางานจริงๆเนแค่ชั่วโมงเสร็จน ะ, ะที่เหลือเนี่ยคือใจลอยหรือว่าฟุ้งซ่านหรือว่าสับสนอันนี้ก็เรียกว่า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 หลงนี่หลงเพราะอะไรนะเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงการหลงเพราะอารมณ์หรือถูกอารมณ์ครอบงำเรียกว่าเมาในอารมณ์ก็ได้เช่นความโกรธความเศร้านะความน้อยเนื้ อ, อต่ำใจนะพอหลงเพราะอารมณ์เหล่านี้แล้วเนี่ยนะมันก็ทำให้เราทำในสิ่งที่ภาวะปกติไม่ทากัน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 แคนเจอประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักนี้ก็ทําให้หลงนะพัดพลาดจากสิ่งที่รักก็ทําให้หลงนะได้ทั้งนั้นถ้าจะว่าไปแล้วชีวอตคนเราเนี่ยนะในท่าพูดอยงนี้จิตใจแล้วเนี่ยมันก็เป็นการต่อสู้กันนะระหว่างหลงกับรู้นะมันก็แย่งชิงพื้นที่กันพยายามครอบงาจิตใจของเรา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 ไม่นานนะสุขภาพก็ดีขึ้นนะเดินเหินก็คล่องแคล่วก็ดีใจนะัไปกราบทูลผู้เจ้าว่าเนี่ยผู้เจ้านี่นะสอนทั้งทางโลกทางธรรมทั้งในทา ง, ท, า ง, ท, างทิฏฐธรรมิกตถะคือประโยชน์ปัจจุบันแล้วก็สามประยิกตระคือประโยชน์ทางจิตใจหรือประโยชน์ทางด้านในถนะ้าคนที่ฉลาดเนี่ยเขาก็รู้ว่าความหลงเนี่ยมันพร้อมที่จะเล่นงาน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 สามารถที่จะยึดครองอาณาจักรที่เป็นคู่แข่งที่สำคัญสำคัญได้เช่นคาเทสนี่คาเทสนี่มันใหญ่มากเนะเป็นคู่แข่งนะอยู่ค่อนมาทางทิศใต้แล้วก็กระจายไปถึงต้นทางเหนือของแอฟริกาโรมก็ส่งแม่ทับไปชชื่อเอมิเลนัสนะไปไปยึดเอาชนะได้สำเร็จนะแล้วก็ทำลายคาเทจนพังยับเยินขากลับนี่โรมก็ต้อนรับนะ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 หรือว่ า, าพิจา ร, รณาอภินหนปัจจวกเนี่ยอันนี้ก็เป็นการเตือนสติตัวเราเองนะถ้าเราไม่สวดแต่ป เ, ป, เป่าเปล่าเปลาไปตามที่ตามที่คนอื่นเขาสวดกันเราสวดตามแต่เราพิจารณาไปด้วยเราก็ได้สติ Afric. เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลบเป็นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บกล้เป็นธรรมดาจะลบเปความเจ็บไายไปไม่ได้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 อันเราก็ะไปให้ประการคือภายที่เกิดขึ้นในอนาคตพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธการมองไปข้างหน้านะคนไม่เข้าใจพุทธศาสนพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้อยู่กับปัจจุบันแปลว่าไม่ต้องไปนึกถึงข้างหน้าหรืออนาคตที่จริงนึกได้รละลึกได้ถ้าหากว่ามันทําให้เราเกิดความรู้ตัวไม่จมในความหลงหรือว่าทําให้เราเนี่ยเห็นความสําคัญกัน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 ความเจ็บป่วยเนี่ยอยู่กับเราตลอดเวลาเพียงแต่ว่าน้อยหรือมากไอ้ที่เราคิดว่าเราสุขภาพดีเนี่ยที่จริงก็คือว่ามันมีความป่วยอยู่แต่มันน้อยนถ้ามันมากเมื่อไหร่ก็ต้องล้มหมอนนอนเสือ่อนให้สังเกตนะท่านไม่ใช่คำว่ามีสุขภาพดีะท่านใช้คําว่ามีอาพาษน้อยคือมีทุกอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่ามากหรือน้อยในขณะที่มีสุขภาพดีมีอาพาษน้อยก็ให้เราลึกว่าวันหน้านี่ยเราจะ เจ็ป่วยถึงตอนนั้นก็ทําปฏิบัติธรรมได้ลําบากแล้วเพราะนั้นเนี่ยขณะที่มีอาภาษณน้อยมีสุขภาพต้องรีบทำซะข้อที่สามเนี่ยขณะที่เรามีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ก็ให้ตระหนักระลึกว่าวันหน้าเนี่ยอาหารจะหายากนะถึงตอนนั้นจะปฏิบัติธรรมลําบากแล้วการมีอาหารอุดมสมบูรณ์นี่ก็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 อันนี้เราเกิดจากการทบทวนใคล่ควรชี้แล้วมันเกิดได้สติขึ้นมาแต่ว่าสติที่เป็นสติฐานสีเนี่ยมันมันมันทำงานได้ไวกว่านั้นนะคือมารูปในขณะนั้นเลยเป็นขณะขณะขณะเลยนะแม้แต่ในเวลาที่เราได้สติว่าเออเราต้องทำความเพียรแล้วนะถึงแม้เรายังหนุ่มยังสาวนเรายังมีสุขภาพอยูตอ่ต้องต้องทาความเพียรอย่าอย่าไปหลงตัวลืมตนเพลิกับ